ส่วนในด้านคำสอนสำหรับคนทั่วไปโดยเฉพาะชาวบ้านยิ่งมีหลักธรรมและพุทธภาษิต ท, ที่ย้ำถึงความสำคัญของการครบหาและการเสวนาคนดีเพิ่มจากนี้อีกมากมายดังเช่นว่าความมีกัลยาณมิตรเป็นข้อธรรมอย่างหนึ่งที่เป็นไปเพื่อบรรลุทธธรรมมิฏฐธรรมิกกะะคือประโยชน์ในโลกนี้การครบคนชั่วเป็นอบายามุกการครบมิตร และการปฏิบัติถูกต้องต่อมิตรเป็นหลักอย่างหนึ่งในคำสอนเรื่องทิศ6การรู้จักเลือกคบคนตามหลักมิตรแท้มิตรเทียมเป็นหลักธรรมหมวดใหญ่ทีเดียวการเสวนาสัตว์ บ, บุรุษเป็นข้อธรรมหนึ่งในจัก4คือทำนำชีวิตสู่ความเจริญรุ่งเรืองดุดล้อนำรถสู่ที่หมาย4ประการในวุติธรรม4คือทำเครื่องเจริญปัญญาหลักการพัฒนาปัญญา4ประการ และในโสตาปัฏิยังคะสีคือคุณสมบัติที่จะทำให้เป็นโสดาบัน4ประการความมีกัลยาณมิตรเป็นข้อธรรมหนึ่งในนาถกรณณธรรมหรือธรรมที่ทำให้คนพึ่งตนได้10ประการในชาดกซึ่งเป็นคำสอนสำหรับคนทุกชั้นทุกประเภทโดยเฉพาะชาวบ้านก็มีเรื่องราวและสุภาษิตแนะนาเกี่ยวกับการคบหาหรือการเสวนาเป็นจานวนมาก เรื่องที่เด่นก็เช่นเรื่องนกแขกเต้าสองพี่น้องในสติคุมพชาดกเรื่องมะม่วงรสวิเศษในทัทิวาหณะชาดกเรื่องม้ากับคนเลี้ยงในคิริทตะชาดกเรื่องช้างแปรนิสัยในมหิลามุขะชาดกเรื่องนกพิราบกับกาในกระโปตะชาดกเรื่องสุนัขจิ้งจอกกับลูกสิงโต ในมโนชชาดกและเรื่องไก่กับเยียวในกุกกุตะชาดกเป็นต้นนอกจากนั้นยังมีธรรมภาสิตเกี่ยวกับเรื่องนี้กระจายอยู่ทั่วทั่วไปในประสุตตันตปิฎกขอยกมาดูเป็นตัวอย่างดังนี้การไม่คบคนผ่านการครบบัณฑิตและการบูชาคนควรบูชานี่เป็นอุดมมงคลคบคนเช่นใดก็เป็นคนเช่นนั้น ผู้ใดแม้ไม่ได้ทําความชั่วแต่เกลือกลั้วกับผู้ทําบาปผู้นั้นย่อมพลอยถูกระแวงในกรรมชั่วและเสื่อมเสียชื่อเสียงยิ่งยิ่งขึ้นผู้คบคนเลวย่อมพลอยเลวลงผู้ใดห่อปลาเน่าด้วยใบคาใบคาย่อมเหม็นกลิ่นปลาคระคลุ้งการเกลือกลั้วคนผานย่อมมีผลอย่างนั้นผู้ใดห่อกฤษศนาด้วยใบไม้ใบไม้นั้น ย่อมพลอยมีกลิ่นหอมฟุง้งการเสวนานักปราชย์ย่อมมีผลอย่างนั้นปราชย์ย่อมแนะนำสิ่งที่ควรแนะนำไม่ชวนทำสิ่งไม่เป็นเรื่องพึงมองเห็นคนมีปัญญาที่ชอบชี้โทษพูจาขมขีเสมือนเป็นผู้บอกขุมทรัพย์คนเช่นนั้นเป็นบัณฑิตควรครบด้คบคนเช่นนั้นมีแต่ดีขึ้นไม่เลวลง พึงแนะนำตักเตือนเถิดพึงพร่ำสอนเถิดพึงห้ามปรามจากความชั่วเถิดคนที่ทำเช่นนั้นย่อมเป็นที่รักของสัตว์บรุษไม่เป็นที่รักของอสัตว์บรุษที่ระชนอยู่ร่วมด้วยเป็นสุขเหมือนสมาคมแห่งญาติเดินร่วมกันเจ็เก้าก็นับว่าเป็นมิตรเดินร่วมกันส2บสองเก้าก็นับว่าเป็นสหาย อยู่ร่วมกันสักเดือนหนึ่งหรือครึ่งเดือนก็นับว่าเป็นญาติถ้านานกว่านั้นไปก็เหมือนเป็นตัวเองมีญาติพวกพ้องมากย่อมเป็นการดีเหมือนหมู่ไม้มากหลายในกลางป่าต้นไม้ที่ขึ้นอยู่โดดเดียวถึงจะงอกงามใหญ่โตเท่าใดลมก็พัดให้โค่นลงได้แต่ได้สหายผู้มีปัญญาปกครองตน พึงพอใจมีสติเที่ยวไปกับเขาถ้าไม่ได้สหายที่มีปัญญาปกครองตนพึงเที่ยวไปคนเดียวและไม่พึงทำความชั่วควรคบมิตรที่เป็นปหูสูตรผู้ทรงธรรมผู้โอฬารด้วยความดีมีปฏิพานครั้นรู้จักประโยชน์ที่มุ่งหมายกําจัดความสงสัยได้แล้วจึงควรเที่ยวไปผู้เดียวเหมือนนอแรดการฟังธรรมตามการ การสนทนาทมตามการนี่เป็นอุ ด, ดมมงคลคนขึ้นแผ่น้อยไปในมหาสมุทรพึ่งจมเสียฉันใดแม้แต่สาธุชนอาศัยคนเกียรคร้านก็ย่อมจมลงได้ฉันนั้นเพราะฉะนั้นควรเว้นห่างคนเกียดคร้านมีความเพียรสามอย่างนั้นเสียพึ่งอยู่ร่วมกับเหล่าบัณฑิตผู้สงัดผู้เป็นอารยะ ผู้มีใจเด็ดเดียวเพ่งพินิษผู้เร่งระดมความเพียรเป็นนิสุภาสิทธธรรมนองนี้แม้ไม่ต้องยกมาแสดงมากก็พอให้ข้อสังเกตเชิงเปรียบเทียบได้ว่าพุทธพจน์เกี่ยวกับการเสวนาที่ตรัสแก่พระภิกษุโดยมากมีจุดหมายมุ่งตรงต่อปรมัติ์และประสงค์จะเสริมสร้างสัมมาทิฐิในแนวที่จะเป็นโลกุตระอย่างเด่นชัดส่วนที่แสดงสาหรับคนทั่วไป หรือชาวบ้านเน้นประโยชน์ในขั้นทิฏฐธรรมิกกทะคือประโยชน์โลกนี้เชื่อมกับสัมปรายิกะทะคือประโยชน์ภายหนมุ่งการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชีวิตประจาวันกลมกลืนไปกับการชักจูงสัมมาทิฏฐิในระดับโลกีคือความเชื่อกรรมความสำนึกรับผิดชอบเกี่ยวกับความดีความชั่วยังไม่เน้นสัมมาทิฏฐิแนวที่จะเป็นโลกุตระ คือการมองโลกและชีวิตตามสภาวะเป็นทํานองปล่อยให้แฝงอยู่และสอนสอดแทรกไปตามโอกาสอย่างที่เรียกว่าค่อยๆปูพื้นฐานจิตใจให้พร้อมขึ้นไปเรื่อยๆ เ, เพราะคนทั่วไปมีหลายระดับ